รวมกันแล้วก็คงสีกว่าปีนี้พระที่จะจำบรรษาไม่มีสมณเณรมีแต่พระล้วนสมณมเณรแต่ก่อนก็ไม่เคยขาดแต่ช่วงหลังมีกฎหมายออกมาภาคบังคับให้เรียนถึงมัธยม3ม .3 ม .6 ทํทำให้สมณเณรวัดป่านขาดไปแต่ ผู้ที่บวชเป็นสมณีเขาก็ปวดไปเรียนหนังสือซะแต่เนี่มีอยู่สมเณีแต่วัดป่าเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแปลว่าขาดไปมีแต่พระจำมรรษาพระผี่เลี้ยงขอยช่วยๆกันดูให้เรื่องอตัตบุตริขารก็ไม่น่ามีปัญหาเพาเตรียมพร้อมหมดแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาในกาะนัจดจาญาติโยมผู้ที่เป็นญาติของนาค ทางวัดของเราจัดให้แต่ทำไมทางวัดจัดให้เพราะว่าถ้าจะให้พวกญาติพี่น้องของนาคซื้อให้เรือกว่าทำบุญมาให้ก็บางคนก็ไปซื้อในตลาดมาบางทีก็ไม่ถูกมันซื้อไม่ถูกบางทีตัวใหญ่แล้วก็ซื้อผ้าผืนเล็กบางคนก็ตัวเล็กๆ ก็ซื้อผ้าผืนใหญ่อย่างนี้หละถ้าว่าเราจัดให้เขาหมดภาระไปเว้นเสียแต่ว่าญาติพี่น้องของคนนั้นอยากจะถวายก็ออเอาเอาพระเป็นผู้ไปแนะนำบอกเ อ, ออเอานี่ยแหละขนาดนี้ใช้ได้ลูกของเราหลานของเราอันนี้ก็เออเอาซื้อมาแล้วไม่เสียหายแต่ถ้าว่าซื้อมาโดยไม่ได้คิดไม่เคยบวชอีกต่างหาก เห็นเขาว่าอยากจะบวชก็เลยซื้อผ้ามาเลยอันนั้นซื้อมาเกือบจะว่าผิดเสียหายเสียของเสียเงินเอามาใช้ไม่ได้เอามาทิ้งลกวัดนะเพราะนั้นเวลาที่จะบวชบวอัตถผลิขานพอมีอยู่ถ้ามันขาดเหลือขาดตกลงพ่อเขจะบอกเออมันไม่มีหนะ้าเจ้าภาพไม่มีปัญหาก็ให้พ่อแม่ผู้ที่จะจะทำบุญอยู่แล้ว จะชั่วยอยู่แล้วอันนี้ก็ไปให้พระเป็นผู้นำไปแต่ในเรื่องบริขารในวัดของเราก็ไม่ใช่บริขารเก่ามาบวชกันไม่ใช่นะเอาบริขารใหม่เอี่ยมทั้งหมดที่จะมาบวชหลวงพ่อกับกรรมชับเว้นเสียแต่บาทถ้าบาทนี้เป็นบาทสเตนเลสถึงยังไงก็ไม่บุบสลายใช้ไป 40-50 ห้าสปีก็ยังอย่างเก่ามีแต่ สีทางนอกถลอกปอกเปลือกบ้าง เ, าเราก็ใช้สีพ่นใหม่ซะขัดใหม่มันก็ใหม่เอี่ยมอย่างเก่าเพราะเป็นบาดส เ, เตนเลตอันนี้บาดอาจจะเป็นของเก่าแต่ผ้าจีวรหรืออัฐบริคารส่วนอื่น เ, เป็นของใหม่ที่นำมาใช้หลวงพ่อกาชับอย่างนั้นบอกพระนะเว้นเสียต่ว่าอัฐบริคารที่ใช้ ที่มันไม่จําเป็นอะไรนอกจากอัธรรบริขารแล้วเอออันนั้นก็มันยังใหม่อยู่พระบวชเพียงเจวันก็น่าเสียดายก็ามาซักน้ําร้อนซะแล้วก็ซักให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้พับไว้อันนั้นก็มีอยู่เราเอามาใช้เป็นบางส่วนนิดหน่อยแต่โดยมากบริขารหลักๆหลว ง, งพ่อก็จะให้ใช้เป็น เป็นผ้าเป็นผ้าใหม่ทั้งหมดที่ให้บวชนะไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วเออเอาบริขารยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อกักคำชับเหมือนกันเพราะทุกคนเข้ามาบวชก็ต้องการของอัฐบริขารที่ดีที่ใหม่เพื่อลูกเพื่อหลานหลวงพ่อกับเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันถ้าว่าพอที่ อัฐบริการบางชิ้นที่จําเป็นก็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างบาตร mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะรัตตาญาติโยมผู้เป็นพ่อแม่ของนาคหรือว่าเจ้าตัวของนาค ก, ก็ดีก็ให้สบายใจได้หรือว่าดูแล้วบริการไม่เป็นที่พอใจก็บอกเพราะของเรามันมีอยู่พร้อมที่จะจัดหาให้เรื่องที่พักพาาอาศัย ก็เหมือนกันหลวงพ่อว่าน่าจะจัดที่พักพาอาศัยได้แล้วหรือว่าเรื่องชื่อของนาคหรือนามฉายาของนาคก็น่าจะพร้อมๆกันเอามาให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้เพื่อจะได้ท่องไว้แต่นนเอเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งเหล่านี้พระพี่เลี้ยงนะต้องช่วยๆกันดูแต่ทางนี้ทางนั้น พระทั้งวัดของเราใครจะเป็นคนดูแลพระพี่เลี้ยงก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้นะอีกวันนี้วันหนึง่งตั้งแต่ท่านท่านชิดนะขึ้นมานะพออาจารย์หันเสร็จวันนี้จะมีการประชุมกันเรื่องพระพิทยากรพราะจะมีครูบาอาจารย์เขตสี่ทั้งหมดถ้าหากว่าแสดงความจำนวงอย่างที่ ที่บอกกับหลวงพ่อไว้นะหรืออาจจะกว่าหรืออาจจะขาดตกปกพ่องหรืออาจจะกว่า อ, อาจจะเกินมันได้ทั้งสองอย่างนั่นอาจจะเกินอาจจะไม่ถึงทั้งหมดมีครูบาอาจารย์ผ อ, อ, อทั้งรองผ อ, อในเขตสีนะ่ทั้งหมดมีร้อยเก้าสิบห้าคนที่จะเข้ามาวันพรุ่งนี้แล้วก็มาอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด 4คืน5วันเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องได้เตรียมพระที่เป็นพอที่จะรับรู้รับทราบในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับคู่คนที่เขามาสู่วัดมากถึงขนาดนี้ที่ยาวนานแต่ก่อนเ็าเข้ามาอยู่เป็นร้0ยสองส0คนแต่เข้ามาเพียงคืนเดียวแล้วก็ผ่านไป คืนเดียวลูวกเผ่านไปอันนั้นมากไม่รู้ว่ากี่เที่ยวกี่ครั้งแต่คราวนี้มันต้องมีการอบรมเป็นคอสเป็นเวลาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถนัดในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอยู่กับหลวงตามหาปัวท่านก็ไม่เคยรับไม่เคยรับที่จะทําอย่างนี้แต่ถ้ามาเป็นครั้งคราวมาตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็พักฟังเทศกลางตอนเช้าทําบุญตักบาตรหลวงตาอบรมเทศ จากนั้นก็ย้ายย้ายกันกลับอันนั้นมีเป็นประจำแต่จะให้อยู่เป็นหลายๆวันอย่างนี้หลงตาถ้าหว่าน้อยคนก็ไม่เป็นลายอยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนก็มีอย่างที่อยู่รถตู้คันหนึ่งอย่างนี้สิบกว่าคนอยู่ก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้หรืออาทิตย์กว่าๆ ก, ก็เคยมีแต่เป็นร้อยอย่างนี้อยู่ที่บ้านตาสมัยหลวงพ่ออยู่นะ ไม่เคยยังไม่เคยมีแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อหลวงพ่อออกมาจากบ้านตาดมีคณะัาติญาติโยมไปรักษาสิ่งตั้งฝ่ายผู้หญิงอยู่ในครัวเนี่ยสองอยกว่าหลวงพ่อที่ได้ยินแลว้วก็หลวงพ่อก็ยังคิดโอ้โอยู่ได้ยังไงตั้งฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวนะสองยกว่าอยู่ในครัวนะตั้งฝ่ายผู้ชายอีกอันนั้นก็มากอันนี้ไทยจะหว่าหลวงตาไม่รับเสียเลยก็ไม่ได้ แต่ลุงตาเขาค่อยๆแบเป็นผู้อยู่ผู้อยู่ประจําเป็นรักษาศีลอุโบสถเยว่าขาวดําผู้มารักษาศีลขาวดำให้ก็ววัดใจเชื่อขาวผ้า ถ, ถุงดำํำ น, นี่คือมารักษาศีลอุโบสถรักษาศีลเนคขมะคือรักษาศีลแปดนี่ที่วัดลุงตาทําอย่างนั้นมีมากสองสามร้อยคนสมัยลุงตายัางอยู่ แต่ในวัดของเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อก็ยังพิจกกังวลเหมือนกันเราจะแนะนำยังไงสอนอยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะได้รับประโยชน์ศักยผู้ได้เข้ามาอบรมแล้วก็ได้รับประโยชน์าสาหรับวัดวาศาสานา ที่หลวงพ่อรับหลวงพ่อก็บอกว่าที่รับไปนี่เราไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รับเอาไว้ในในขั้นระดับหัวหน้าอย่างเนี้ยอย่างครูบาอาจารย์ระดับพอออย่างเนี้ยั้งร้อยเกือบสองร้อยคนถ้าหากว่าในสองร้อยคนเนี่ยเมื่อเข้ามาอบรมอย่างน้อยกค็คงจะคน เยจักหลายคนอยู่กังังที่จะเข้าใจเรื่องวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการภาวนาหรือความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาหรวงพ่อก็มั่นใจอย่างนั้นเจียงเด็กรับคิดว่ารับทดลองดูแต่หากว่าทดลองดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนีก็คงจะไม่ไม่รับในขั้นต่อไปจ ะ, จะรับแต่เฉพาะพระแต่ถ้าว่ารับแล้วเกิดประโยชน์เออเอาเออ จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่วางทายาทเอาไว้พระพุทธศาสนาจะกอกเงยเจริญยาวนานได้อย่างไรถ้าเราไม่วางทายาทเพราะฉะนั้นการรับคณะจตห า, ธ า, ธาธยาติจมเข้ามาเนี่ก็เพื่อทายาทต่อไปภายภาคหน้าพวกครูบาอาจารย์ก็มีระดับที่จะสอนจิตญาณุสิทธ์สอนนักเรียนอยู่แล้ว ถ้าครูบาอาจารย์ได้รับการเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้ได้นําความรู้ที่ได้ศึกษาไปสั่งสอนนักเรียนนะเป็นสิทธิ์ของตนเองลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นนักเรียนที่ดีเมื่อเป็นนักเรียนที่ดีต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ ดูแลประเทศชาติประเทศชาติก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุกเพราะมีแต่คนดีแต่ลุงพ่อเองก็ได้ทราบข่าวจากท่านพ่ออหรือครูบาอาจารย์เขตของเราเนี่ยที่เอาไปแข่งระดับภาคระดับประเทศทั้งที่เป็นหลายร้อยหลายร้อยโรงเรียนไปแข่งเขายังได้เป็นที่สิบเป็นที่สิบของที่ไปแข่ง หลวงพ่อเห็นได้ยินแล้วก็เอออำเภอบ้านผืออำเภอน้ําสมนายูขุดจับสี่อำเภอเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ี่ทําได้ขนาดเตหลวงพ่อเออว่าดีแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อมาเจอพอออนแล้วโรงเรียนที่เขามาอบรมหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวแนะนําเหมือนกันให้พวกเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของพวกเรานะครูบาอาจารย์เมื่อทําอะไรก็ต้องให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ให้ตังอุกตั้งใจทําการสอนอย่าคอรับชั้นเชิงวิชาการตรงพอบอกนะอกันเนี่ยคืออะไรขอรับชั่นเชิงวิชาการคือสอนในโรงเรียนสอนคล่อมก้อมแก้มสอนยังไงแต่จากนั้นก็บอกเอา้าถ้านักเรียนอยากจะเข้าใจในการสอนของครูน่นนะไปสอนพิเศษนะโนไปฟังพิเศษของครูนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะว่าออไปแล้วคือไม่ชื่อตรง หลักวิชาการของตนเองทั้งที่กินเงินของภาษีอากรแต่ก็ไม่ทำหน้าที่เต็มที่ในการเป็นครูสอนในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนในสำนักงานของตนเองหรือว่าไปสอนนอกโรงเรียนอันนั้นสอนเต็มที่เพื่อให้เขาเข้าใจอันนี้แปลว่าไม่ดีหลวงพ่อว่านะและก็ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เราทําหน้าที่ดีไหมสมบูรณ์หรือยังให้ถามตนเองอยู่เสมอถ้าคนอื่นถามนะ่ะจะกโกรธให้เขาถ้าให้ตนเองถามว่าเราทําหน้าที่นี้สมบูรณ์หรือยังถ้าหากว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเราทํางานอย่างนี้ อันนี้ให้ถามตนเองถ้าว่าถามเออถ้าเป็นเงินของเราเราจ้างแน่ถ้าเราทำงานอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราทำสมบูรณ์หาทิติไม่ได้แล้วก็ใครๆครก็ต้องยอมรับแต่ถ้าว่าตัวเองก็ยังไม่กล้าจ้างตัวเองทางานอย่างนี้แสดงว่าขาดตกบกพ่องมีแต่เราเรียกร้องว่าเงินเดือนไม่พอเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนน้อย แต่ถ้าเราใช้มากมันก็ธรรมดามันก็ต้องไม่พอใช้แต่ถ้าว่าเรารู้จักประมาณในการบริหารจัดการตัวเองมันก็คงจะพอเป็นไปได้พอเหตุใดถ้าเรามองดูพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีชาวไร่ชาวนาทำมาค้าขายที่ยากจนกว่าเรามีต่เยอะแยะไปแต่ถ้าเรามองอาเซียนที่เขาร่ำรวยกว่าเราอันนั้นก็ เราก็ต้องด้อยกว่าเขาแน่ๆอาชีพครูแต่ถ้าว่าเรามองต่ำเราก็ไม่แพ้ชาวบ้านเหมือนกันเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนนี่หลวงพ่อเ ค, เคยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สรุปแล้วคือให้มีครูบาอาจารย์ให้มีกาลังใจในการสอนสิทธิ์ของตนเองถ้าว่าครูบาอาจารย์มีกําลังใจสอนสิทธิ์นักเรียนของเราก็มีความก้าวหน้าในการการศึกษา เราจะไปบอกว่าอูเด็กเขาหัวสมองดีสมองเขาดีเพราะเขามีอาหารดีมีสิ่งแวดล้อมดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่าครูดีเนี่ยหลวงพ่ อ, อยังมั่นใจถ้าครูดีเนี่ยครูแนะนำดีครูสอนดีหัวของคนไทยคงจะไม่เกินกันเท่าไหร่แต่ถ้าว่าครูก็ไม่เอาทานใส่สายเขามาแล้วมาแล้วกินเหล้าอีกต่างหากอย่างนี้ แต่เหมือนก่อนจะให้เด็กดีได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้ก็ครูเขาก็บน่บนๆเหมือนกันนะบน่นว่าโอ้นักเรียนทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ ก, ก่อนแต่ ก, ก่อนครูมีอำนาจที่จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีแต่ทุกวันนี้ถ้าพูดไปมากสอนไปมากใช้อารมณ์มากเด็กนักเรียนเขาก็รวมตัวกันอาจจะไล่ครูออกจากโรงเรียนอีกต่างหากครูโรงเรียนขยัอีกเหมือนกัน ก็เลยเอ้าสอนตามมีตามเกิดสอนได้ขนาดแค่ขนาดนั้นแหละเอาจบนักเรียนก็เลยอย่างที่อย่างพวกเราทั้งหลายเห็นก็ว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้การศึกษาของเขาเนี่ยในอาเซียนรู้สึกว่าจะตกต่ำกว่าเกิดเพราะทุกประเทศเพื่อเผยจะจะไย้กวประเทศลาวอีกต่างหากในการศึกษาเพราะเหตุไรเพราะเนี่ยเพราะครูบายการย์ไม่ได้ใส่ใจอันนี้หลวงพ่อก็เคยเน้นหนักเหมือนกันเดี๋ยวมาคราวนี่แหละหลวงพ่อของคงจะ ทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อกับครูบาอาจารย์กับหมอหนึ่งกับโรงเรียนหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยเคยทำคุณูปการต่อกันเหมือนกันนะเครื่องมือแพทย์อาคารหลวงพ่อก็เคยช่วยเคยสร้างอะไอาคารเรียนไม่รู้กี่หลังอีกเหมือนกันนีแล้วก็การศึกษาที่มีความจําเป็นหลวงพ่อก็ช่วยอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้มองข้าม การศึกษาคนในประเทศคนในชาติไทยถ้าด้อยการศึกษาแท้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วเด็กจะเจริญไปได้อย่างไรประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไรถ้าคนในชาติโง่เง่าเตาตุนไปหมดในเมื่อคนในชาติได้รับการศึกษาดีการงานดีแต่อนามัยโรงพยาบาลไม่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย พึ่งพาอาศัยหมอไม่ได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีหมอไม่ดีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ อ, อย่างนี้เราก็หาความสงบผ้าสุขไม่ได้ในการเป็นอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อการศึกษาส่วนหนึ่งและการแพทย์การอ n าม o m y การรักษาพยาบาลอันนี้ก็จำเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงชูสองนิ้วอย่างนั้น การศึกษาหนึ่งการอนาคตหนึ่งต้องไปพร้อมกันหลวงพ่อมีทุนขึ้นมาปัจจัยคือมาหลวงพ่อจะช่วยทั้งสองอย่างแต่เดงนี้หลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อหนักหนั ก, นกทางทางโรงพยาบาลกว่าโรงเรียนปีนี้แต่ปีก่อนๆหลวงพ่อหนักโรงเรียนมากกว่าโรงพยาบาลปีนี้หนักยังไงพวกเราคงจะอยากกะรู้หลวงพ่อไปสร้างตึกให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดร ตึกหนีไฟเคียงคู่กับตึกหลงตานะลงตาตึกสิบชั้นนะแต่นี้หลวงพ่อไปสร้างตึกหนีไฟสิบชั้นเหมือนกันเป็นที่จอดรถแล้วก็ถ้าไฟไหมโรงพยาบาลหลงตาก็จะขนย้ายจากตึกลงตาเข้ามาตึกหลังนี้และกลำลังเรียงขนออกไปตึกหลังนี้ใหญ่ไหยจอดรถได้ห0 0้อยคันจิตตึกสิบชั้นหลังนี้แต่ถ้าจอดแบบใส่เกียร์ว่างเอาไว้ ปิดท้ายจะได้เจ็ดร้อยคันกำลังใหญ่พอสงควรค่าขอสร้างค่าขอสร้างเจ็ดแปดล้านเซนสัญญาถ้ารวมกับบันไดงีไฟเขาไปอีกหกล้านหกล้านบวกเจ็ดสิบแปดล้านเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อเป็นประธานในการก่อสร้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นชั้นเจ็ดแล้วย่างหนึ่งก็คือเครื่องผาตัดผ่าตัดตับ เขามาขออีกทางอีสานเหนือเนี่ยทางภาคอีสานโดยมากเป็นมะเร็งตับมากาก้อนในตับใบไม้ในตับตับแข็งแต่ใช้เครื่องมือไม่มีเครื่องมือตัดแต่ใช้มีดธรรมดาเลือดออกไม่หยุดยตายได้ง่ายๆหลวงพอ่อแต่ถ้ามีเครื่องมือตัวนี้เข้าไปแล้วพ่อผ่าตัดเข้าไปแล้วจะเลือดจะไม่ออกนี่หลวงพ่อไข้ไปเอาราคาเท่าไหร่ล้านห้า หลวงพ่อให้ล้านหนึ่งเขาขออีก เ, อเขามีอยู่ห้าแสนอันนี้ก็คือหลวงพ่อรับพระละอีกส่วนหนึ่งแต่ทางขอนแก่นมาขออีกห้องผ่าตัดหัวใจในภาคอีสานะมีแต่ศูนย์เรกิจแทงเดียวเป็นศูนย์หัวใจนอกนั้นไม่มีหลวงพ่ อ, เ, อเพราะนั้นขอห้องผ่าตัดหัวใจสักห้องหนึเท่นเพราะว่านะแต่เครื่องมาแล้วละ่ะทาได้ ทำบอลรวมก็ได้พาตัดหัวใจก็ได้แต่ไม่มีห้องเท่าไรสองล้านแปดหลวงพออืออเท่าไหรเก็บเงินว่ะ เ, เดือนปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาเก็บเงินหลงพอเอยขนาดนั้นกระถินผ่านไปแล้วเอาเงินกรถินก็ได้เอาเอาได้แต่ว่ากรินไม่รู้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหลงพ่อในใจใหย่อย สรุปแล้วหลวงพ่อใจใหญ่ครับอแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหลวลงพ่อเพราะวะ่าวัดหลวงพ่อทั้งพันกว่าไร่เดี๋ยวเอาวัดเข้าธนาคารก็ได้เข้าจำนองจำนำธนาคารถ้าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาวัดกลัวจะไม่ได้มาวัดหลวงพ่ออินวัดอยู่ในธนาคารก็คงจะช่วยๆกันกระมังจุดนั้นหลวงพ่อว่านะเรับพรนแะต่เ น, นี้ยนมุนทนาให้พอ